เรานั้นเทพธิดาผู้สิงอยู่ที่สเวตชัต์เคยเป็นมารดาพระโพธิสัตว์ในอัตภาพในระหว่างอัตภาพหนึ่งปลอบพระโพธิสัตว์ให้สบายพระไทัยแล้วกล่าวว่าพ่อเตมิยะกุมารพ่ออย่าเศร้าโศกอย่าคิดอย่ากลัวเลยถ้าพ่อประสงค์จะพ้นจากพระราชมนเทีย น, นี้พ่อไม่เป็นคนง่อยเปลี้ยเลยก็จงเป็นเหมือนคนง่อยเปลี้ยพ่อไม่เป็นคนหนวก ก็จงเป็นเหมือนคนหนวกพ่อไม่เป็นคนใบ้ก็จงเป็นเหมือนคนใบ้เถิดพ่อจงอธิษฐานองค์สามเหล่านั้นอย่างนี้แล้วอย่าประกาศความที่พ่อเป็นคนฉลาดเทพธิดากล่าวแล้วจึงกล่าวคาถาที่หนึ่งว่าท่านอย่าแสดงว่าเป็นคนฉลาดจงให้ชนทั้งปวงรู้กันว่าท่านเป็นคนโง่ ชนในที่นั้นทั้งหมดจะได้ดูหมินท่านว่าเป็นคนกาละกันณีความปรารถนาของท่านจักสำเร็จได้ด้วยอุบายอย่างนี้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอย่าแสดงว่าเป็นคนฉลาดมาบัณฑิตจะยังความว่าจงอย่าประกาศความเป็นบัณฑิตของตนอีกอย่างหนึ่งปาทะว่าบัณฑิตยังความก็อย่างนี้แหละ คำว่ารู้กันว่าท่านเป็นคนโง่พาละมะโตได้แก่รู้กันว่าเป็นคนโง่คำว่าชนทั้งปวงสัพพะปาณิหนังได้แก่อันเหล่าสัตว์ทั้งปวงคือชนทั้งหลายคำว่าชนทั้งหมดสัพโพตันโนได้แก่ทั้งชนภายในทั้งชนภายนอกทั้งสิ้น คำว่าจะได้ดูมินโอจินายตุได้แก่จงดูคแคลนคือจงดูมินว่าพวกท่านจงนำคนกาลกันนีนั้นออกไปพระโพธิสัตว์กลับได้ความโล่งพระทยัยเพราะคําของเทพธิดานั้นจึงกล่าวคาถาที่สองว่าข้าแต่แม่เทพธิดาข้าพเจ้าจะทําตามคำของท่านที่ท่านกล่าวกะข้าพเจ้า ข้าแต่แม่เทพธิดาท่านเป็นผู้ใครประโยชน์เป็นผู้ใครเกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าพรั้นกล่าวคาถานี้แล้วพระโพธิสัตว์ได้อธิษฐานองค์สามเหล่านั้นเทพธิดานั้นก็อันตรธานหายไปลำดับนั้นพระเจ้ากาสิกราชมีพระดำริว่าลูกควรจะได้กุมารห0 0รเหล่านั้นเป็นบริวารเพื่อเป็นที่พอใจ จึงรับสั่งให้กุมารทั้งห้าร้อยเหล่านั้นนั่งอยู่ในสำนักของพระโพธิสัตว์ทารกเหล่านั้นร้องไห้อยากดื่มนมส่วนพระมหาสัตว์ทูความกลัวนรกคุกขามทรงดำริว่าจำเดิมแต่วันนี้กายของเราแม้เหือดแห้งตายเสียยังประเสริฐกว่าดำริดังนี้จึงไม่ทรงกันแสง นางนมทั้งหลายกราบทูลประพฤติเหตุนั้นแด่พระนางจันทาเทวีพระนางก็กราบทูลแด่พระราชาพระราชารับสั่งให้เรียกเหล่าพราหมณ์ผู้รู้ทำนายนิมิตมาตรัถามพร้อมทั้งหลายได้กราบทูลพระราชาว่าขอเดชะนางนมควรจะปล่อยล่วงเลยเวลาตามปกติแล้วจึงทรงถวายน้ำนมแด่พระกุมาร เมื่อทำอย่างนี้พระกุมารจะกันแสงจับนมมั่นเสวยเองทีเดียวตั้งแต่นั้นนางนมทั้งหลายปล่อยล่วงเลยเวลาตามปกติแล้วจึงถวายน้ำนมแด่พระโพธิสัตว์คือเมื่อถวายบางคราวล่วงเวลาวาระหนึ่งจึงถวายบางคราวไม่ถวายน้ำนมตลอดทั้งวันพระโพธิสัตว์ถูกความกลัวนรกคุกคาม แม้พระกายเหี่ยวแห้งก็ไม่ทรงกันแสงอยากเสเวยนมลำดับนั้นพระนางจันทาเทวีเห็นพระโพธิสัตว์ไม่ทรงกันแสงก็ทรงพระดำริว่าลูกเราหิวจึงให้ดื่มน้ำพระถันของพระนางเองบางคราวนางนมทั้งหลายให้ดื่มน้ำนมเหล่าทารกที่เหลือต่างร้องไห้ไม่นอนในเวลาไม่ได้ดื่มน้ำนม พระโพธิสัตว์ไม่ทรงกันแสงไม่ทรงคร่อมครวญไม่บรรทมไม่คูพระหัตถและพระบาทไม่เป่งพระวาจาครั้งนั้นนางนมทั้งหลายคิดกันว่าธรรมดามือและเท้าของคนง่อยเปลี่ยไม่เป็นอย่างนี้ปลายคางของคนใบไม่เป็นอย่างนี้ช่องหูของคนหนวกก็ไม่เป็นอย่างนี้จะต้องมีเหตุในพระกุมารนี้ พวกเราจักทดลองพระกุมารจึงไม่ถวายน้ำนมแด่พระโพธิสัตว์นั้นตลอดทั้งวันด้วยประสงค์ว่าจักทดลองพระกุมารด้วยเรื่องนมก่อนพระโพธิสัตว์แม้เหี่ยวแห้งก็ไม่ทรงกันแสงอยากเสเวยนมครั้งนั้นพระชนนีของพระโพธิสัตว์ตรัสสั่งให้นางนมถวายนมด้วยพระราชสาวนีว่าลูกฉันหิวจงให้น้ำนมแก่เขา นางนมเหล่านั้นแม้ทดลองไม่ถวายน้ํานมในระหว่างในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่งก็ไม่เห็นความพิรุษของพระโพธิสัตว์ลําดับนั้นมูอมามัดกราบทูลพระราชาว่าขอเดชะธรรมดาทารกอายุขวบหนึ่งชอบกินขนมและของเคี้ยวพวกข้าพระองค์จักทดลองประกมเอร์ด้วยขนมและของเคี้ยว กราทูลดังนี้แล้วให้กุมารทั้ง500อคนเหล่านั้นนั่งใกล้ๆพระราชกุมาร น, นำขนมและของเคี้ยวต่างๆเข้าไปวางไว้ใกล้ๆพระมหาสัตว์แล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงถือเอาขนมและของเคี้ยวเหล่านั้นตามชอบใจแล้วพากันยืนแอบดูอยู่พวกทารกที่เหลือทะเลาะยื้อแย่งกันและกันถือเอาขนมและของเคี้ยวมาเคี้ยกิน ฝายพระมหาสัตย์ทรงโอวาทพระองค์ว่าแน่พ่อเตมิยะกุมารถ้าเจ้าประสงค์นรกก็จงประสงค์ขนมและของเคี้ยวเป็นผู้กลัวภัยในนรกจึงไม่ทอบพระเนตรดูขนมและของเคี้ยวเลยแม้ทดลองด้วยขนมและของเคี้ยวในระหว่างในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่งก็ไม่เห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว์แต่นั้นคณะอเมิดกราบทูลพระราชาว่า ข้าแต่พระมหาราชธรรมดาทารกสองขวบชอบผลไม้น้อยใหญ่พวกข้าพระองค์จักทดลองพระกุมารด้วยผลไม้กราบทูลดังนี้แล้วนําผลไม้น้อยใหญ่ต่างๆเข้าไปวางไว้ใกล้ๆพระโพธิสัตว์แล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงถือเอาผลไม้น้อยใหญ่เหล่านั้นตามชอบใจเถิดแล้วพากันยืนแอบดูอยู่ เหล่าทาลกที่เหลือต่างต่อสู้ทุบตีกันและกันถือเอาผลไม้เหล่านั้นเคี่ยวกินอยู่ไา่พระโพธิสัตว์ก็โอวาทพระองค์ว่าแน่ยพ่อเตมียะกุมนันถ้าเจ้าประสงคนนรกก็จงประสงค์ผลไม้น้อยใหญ่ทั้งหลายเป็นผู้ถูกภัยในนรกคุกขามไม่ทอดพระเนตรดูผลไม้น้อยใหญ่เลยแม้ทดลองด้วยผลไม้น้อยใหญ่ในระหว่างในระหว่างอย่างนี้ เป็นเวลาปีหนึ่งก็ไม่เห็นความพิรุษของพระโพธิสัตว์แต่นั้นคณะอมามิดกราบทูลพระราชาว่าแค่แต่พระมหาราชธรรมดาทารกสามขวบชอบของเล่นพวกข้าพระองค์จกทดลองพระกุมารด้วยของเล่นกราบทูลดังนี้แล้วจึงให้ทำรูปช้างเป็นต้นสำเร็จด้วยทองเป็นต้นวางไว้ใกล้ๆพระโพธิสัตว์ เหล่าทารกที่เหลือต่างแย่งกันและกันถือเอาฝ่ายพระมหาสัตว์ไม่ทรงทอดพระเนตรดูอะไรอะไรเลยแม้ทดลองด้วยของเล่นในระหว่างในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาหนึ่งปีก็ไม่เห็นความพิรุษของพระโพธิสัตว์แต่นั้นคณะอมาตย์กราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระมหาราชธรรมดาทารกสี่ขวบชอบโภชนาหาร พวกค้าพระองค์จักทดลองพระกุมารด้วยโภชนาหารกราบทูลดังนี้แล้วจึงน้อมโภชนาหารต่างๆเข้าถวายพระมหาสัตว์แม้เหล่าทารกที่เหลือต่างก็ทำเป็นคํคๆบริโภคฝ่ายพระมหาสัตว์ทรงโอวาทพระองค์ว่าแน่พ่อเตมิยะกุมารอัตภาพของเจ้าที่ไม่ได้โภชนาบริโภคนับไม่ถ้วน ทรงกลัวภัยนรกมิได้ทอดพระเนตรดูโภชนาหารนั้นลำดับนั้นพระชนนีของพระโพธิสัตว์เป็นผู้เหมือนมีพระหฤทัยแตกทําลายให้พระโอรสเสวยโภชนาหารด้วยประหัตของพระองค์เองแม้ทดลองด้วยโภชนาหานในระหว่างในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่งก็ไม่เห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว์ แต่นั้นคณะอํามาตย์กราบทูลพระราชาว่าธรรมดาทารกห้าขวบย่อมกลัวไฟพวกข้าพระองค์จักทดลองพระกุมารด้วยไฟกราบทูลดังนี้แล้วให้ทําเรือนใหญ่มีหลายประตูที่พระลานหลวงมุงด้วยใบายตาลให้พระมหาสัตว์ซึ่งแวดล้อมด้วยเหล่าทารกที่เหลือนั่งท่ามกลางทารกเหล่านั้นแล้วจุดไฟ เหล่าทารกที่เหลือเห็นเรือนไฟลุกโผงทั้งกลัวทั้งสะดุง้งต่างร้องลั่นวิ่งหนีไปไฟพระมหาสัตว์ทรงดมริว่าความร้อนแห่งเพลิงนี้ยังดีกว่าไหม้ด้วยไฟนรกพระมหาสัตว์มิได้มีความหวันไหวเลยเหมือนพระมหาเถระผู้เข้านิโรธสมาบัติครั้นเมื่อเพลิงลุกลามมาอมาตทั้งหลายก็อุ้มพระโพธิสัตว์ออกไป แม้ทดลองด้วยไฟในระหว่างในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่งก็ไม่เห็นความพิรุษของพระโพธิสัตว์แต่นั้นคณะอมาตย์กราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระมหาราชธรรมดาทารกหกขวบย่อมกลัวช้างตกมันพวกข้าพระองค์จักทดลองพระกุมารด้วยช้างตกมันกราบทูลดังนี้แล้วให้ฝึกช้างเชือกหนึ่งซึ่งฝึกอย่างดี ให้พระโพธิสัตว์ซึ่งแวดล้อมด้วยเหล่าทารกที่เหลือประทับนั่งณนะพระลานหลวงแล้วปล่อยช้างช้างนั้นบันลือเสียงโกลจนา่าตเอางวงตีพื้นดินสำแดงไัยมาเหล่าทารกที่เหลือเห็นช้างตกมันก็กลัวมรณะยัยจึงวิ่งหนีไปคนละทิศละทาง่ายพระมหาสัตว์เห็นช้างตกมันนั้นมาทรงคิดว่า เราตายเสียที่งาช้างตกมันตัวดุร้ายยังประเสริฐกว่าไม่ในนรกอันร้ายกาดพระมหาสัตว์ถูกภัยนรกคุกคามประทับนั่งตรงนั้นเองไม่หวั่นไหวเลยลำดับนั้นช้างที่ฝึกดีแล้วนั้นแล่นเข้ามาจับพระมหาสัตว์เหมือนจับการรดอกไม้วิ่งไปวิ่งมาทำให้พระมหาสัตว์ลำบากยิ่ง มหาชนรับพระมหาสัตว์จากงวงช้างแล้วนำออกไปแม้ทดลองด้วยช้างตกมันในระหว่างในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่ง mm hmm. ก็ไม่เห็นความพิรุษของพระโพธิสัตว์พระราชาตรัสถามพวกราชบุรุษว่าพวกท่านในเวลาที่มาแล้วรับพระกุมาร น, นำออกไปพระกุมารไหวมือหรือเท้าบ้างหรือไม่ราชบุรุษทั้งหลายกราบทูลว่า หาไม่ได้เลยพระเจ้าค่าทรงหาหรือว่าพวกเราจะทำอย่างไรแต่นั้นคณะอมามร์ปราบทูลพระราชาว่าขอเดชะธรรมดาทารกเจ็ดขวบย่อมกลัวงูพวกข้าพระองค์จักทดลองพระกุมารด้วยงูกราบทูลดังนี้แล้วจึงให้พระมหาสัตว์กับเหล่าทารกที่เหลือนั่งที่พระลานหลวงปล่อยงูทั้งหลายซึ่งถอนเขี้ยวแล้ว เย็บปากแล้วในการที่พระโพธิสัตว์ประทับนั่งแวดล้อมไปด้วยเหล่าทารกที่เหลือทารกที่เหลือทั้งหลายเห็นงูดุร้ายเหล่านั้นก็ร้องลั่นวิ่งหนีไปปายพระมหาสัตว์ทรงพิจารณาภายในนรกทรงดำริว่าความพินาศไปในปากของงูดุร้ายยังดีกว่าตายในนรกอันร้ายกาศดังนี้แล้วจึงทรงนิ่งเฉย เหมือนพระมหาเถระผู้เข้านิโรธสมาบัติคราวนั้นงูทั้งหลายก็เลื้อยมารัดพระสะกลกายของพระมหาสัตว์แผ่พังผ่านอยู่บนพระเสียรของพระมหาสัตว์แมในการนั้นพระมหาสัตว์ก็ไม่ได้วันไหวเลยแม้ทดลองด้วยงูในระหว่างในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่งก็ไม่ได้เห็นความพิรุนของพระโพธิสัตว์พระราชาตรสถามพวกราชบุรุษว่า พวกท่านในเวลาที่มาแล้วรับพระกุมาร น, นําออกไปพระกุมารไหวมือหรือเท้าบ้างหรือไม่ราชบุรุษทั้งหลายกราบทูลว่าหาไม่ได้เลยพระเจ้าค่าทรงหาหรือว่าพวกเราจะทำอย่างไรแต่นั้นคณะอมาตยกราบทูลพระราชาว่าขอเดชะธรรมดาทารกแปดขวบย่มชอบมหรสบพฟ้อนรา พวกข้าพระองค์จักทดลองพระกุมารด้วยมหโหรสศฟ้อนรำกราบทูลดังนี้แล้วให้พระกุมารประทับนั่งณนะพระลานหลวงกับทารกห้ารคนแล้วให้แสดงมหโหรสศฟ้อนรำเหล่าทารกที่เหลือเห็นมหโหรสศฟ้อนรำแล้วต่างกล่าวว่าดีดีขากันหัวเราะเฮฮาส่วนพระมหัสัตทรงพิจารณาภายในนรกว่า ในเวลาที่เราบังเกิดในนรกความรื่นเริงหรือโสมนัตไม่มีแม้ชั่วขณะหนึ่งจึงนิ่งเฉยมิได้ทอดพระเนตรดูอะไรอะไรนั้นเลยแม้ทดลองด้วยมหขอระสบฟ้อนรำในระหว่างในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่งก็มิได้เห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว์พระราชาตรัสถมพวกราชบุรุษว่าพวกท่านในเวลาที่มาแล้วรับพระกุมาร น, นาออกไป